กูจะอยู่ที่นี่สมพัสสยองสวัสดีครับเพื่อนๆและพี่น้องชาวสมพัสสยองทุกคนวันนี้ผมได้มีโอกาสกลับมาเล่าเรื่องของผมอีกครั้ง หากยังจำกันได้ผมมีชื่อว่าตรีที่เคยได้แบ่งปันประสบการณ์ของผมไปก่อนหน้านี้ส่วนใครที่ยังไม่เคยได้รับฟังก็สามารถกลับไปฟังเรื่องผมขออยู่ด้วยที่ผมได้พบเจอกับเรื่องราวประหลาดและสยองขวัญที่เกิดบนเทือกเขาภูผานจังหวัดสกลนครได้นะครับส่วนเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ แม้ว่ามันจะไม่เกี่ยวกับเรื่องราวในครั้งก่อนแต่ความน่ากลัวและสยดสยองก็ยังคงมีอยู่ไม่แพ้กันหลังจากที่มีผีเด็กหนุ่มมาอยู่กับผมครบหนึ่งปีแลว้วเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็เกิดเรื่องขึ้นมันฟังดูไม่นานเลยใช่ไหมครับผมได้เปิดร้านขายปุ๋ยและขายอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิดธุรกิจของผม ดำเนินมาได้ด้วยดีจนวันหนึ่งมีคนเสียชีวิตที่ร้านของผมถึงสองคนเหตุเกิดเนื่องจากวันนั้นผมได้จ้างช่างแอร์แต่ไม่ใช่ช่างแอร์ในตำนานหรอกนะครับผมจ้างช่างมาดูแอร์ตัวใหญ่ภายในร้านซึ่งเป็นแอร์โรงงานมีขนาดกว้างสองเมตรสูงหนึ่งเมตรแปดสิบน่าจะได้ที่ใช้แอร์ตัวใหญ่ขนาดนี้เนื่องจากร้านของผม ก็ค่อนข้างกว้างอยู่เหมือนกันตอนนั้นก็เป็นเวลาเย็นแล้วผมจึงบอกช่างว่าถ้า ง, งานไม่เสร็จก็พักที่นี่ได้เพราะมีห้องว่างอยู่ถึงสามห้องจะอยู่ห้องไหนก็อยู่ได้เลยส่วนผมก็เดินทางออกจากร้านเพื่อกลับบ้านแต่แล้วในเย็นวันเดียวกันนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นช่างแงที่ผมจ้างมา ไปอัดแก๊สเข้าท่อแอร์ผิดพลาดยังไงก็ไม่รู้ทำให้เหตุสุดสยองเกิดขึ้นแก๊สเกิดการระเบิดเสียงดังสนัน่นช่างแอถูกแรงระเบิดอัดกระแทกทำให้พวกเขาตายคาทีสองคนในทันทีและช่างที่มาด้วยอีกสามคนก็บาดเจ็บสาหัสซึ่งเหตุการณ์นี้มันเป็นความผิดพลาดของช่างเอง ผมก็เลยได้ช่วยเรื่องงานศพเล็กๆน้อยๆเพียงเท่านั้นแม้เหตุการณ์นี้จะเพิ่งเกิดขึ้นแต่เรื่องนี้ก็ไม่เป็นข่าวครับเพราะผมได้ขอร้องผู้ที่เกี่ยวข้องให้ช่วยปิดข่าวนี้เอาไว้เนื่องจากเกรงว่ามันจะทำให้ร้านของผมเสียชื่อเสียงได้หลังจากจัด ก, การทำความสะอาดและซ่อมแซมสิ่งที่เสียหายแล้วไม่กี่วันหลังจากนั้น ผมก็กลับมาทำงานที่ร้านเหมือนเดิมแล้วเย็นวันนั้นเองขณะที่ผมกาลังจะกลับบ้านพอผมเดินผ่านตรงห้องที่เกิดเหตุนั้นก็หันมองไปเห็นช่างซ่อมแอร์ยังคงซ่อมแอร์อยู่ผมก็ไม่คิดอะไรมากเพราะคิดว่าแฟนผมคงจ้างช่างชุดใหม่มาแต่ตอนนี้แฟนผมก็ท้องอยู่เธอไม่ได้มาที่ร้านเป็นเวลานานแล้ว เพราะต้องพักผ่อนอยู่ที่บ้านมันจึงทำให้ผมฉุกคิดกันได้ว่าแฟนผมไม่น่าจะรู้เรื่องแอร์ที่มีปัญหาผมตัดสินใจเดินกลับไปดูช่างที่ซ่อมแอร์อีกครั้งแต่ปรากฏว่าที่ตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลยถ้าหากใครได้ฟังเรื่องราวของผมในคลิปก่อนหน้านั้นจะรู้ว่าผมเป็นคนที่เห็นผีจนชินแล้ว ก็เลยพยายามไม่สนใจสิ่งที่ผมเห็นแต่ในใจลึกๆก็เก็บไปคิดอยู่เหมือนกันวันหนึ่งผมตัดสินใจที่จะไปวัดเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้หลวงพ่อฟังเมื่อเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้หลวงพ่อฟังแล้วท่านก็บอกกับผมว่าเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าเขาตายก็เลยยังวนเวียนทำสิ่งที่เขาเคยทำหรือยังทำไม่เสร็จ แล้วหลวงพ่อก็ได้แนะนำว่าโยมต้องรีบเชิญเขาออกไปจากที่นั่นเพราะถ้าเขาอยู่นานไปมากกว่านี้จะมีความผูกพันกับสถานที่แล้วคราวนี้ถ้าเขาไม่ยอมไปโยมจะลำบากเมื่อผมลองคิดดูหลังจะเกิดเรื่องตอนนี้มันก็ผ่านมาเจ็ดวันแล้วผมคิดว่าคงมีคนเชิญวิ ญ, ญญาณเข้าไปแล้วละ่ะ วันถัดมาผมก็กลับไปที่ร้านอีกซึ่งร้านของผมนี้จะมีลูกน้องประจำอยู่สี่คนในสี่คนนั้นจะมีสองคนที่เป็นอิสลามทั้งสองเป็นพี่น้องกันเขาชื่อว่าเซนกับเลดมีอายุกแก่กว่าผมสามปีกับห้าปีผมก็เลยเรียกเขาทั้งสองคนว่าบังส่วนลูกน้องอีกสองคนคนหนึ่งเป็นพุทธชื่อโอน หลายคนเป็นคริสเตียนชื่อปอในสี่คนนี้จะมีเพียงแต่อ้นเท่านั้นที่เชื่อเรื่องผีและก็กลัวมากเสียด้วยที่ร้านนี้ผมได้สร้างบ้านพักให้กับคนงานสี่ห้องซึ่งจริงๆแล้วควรจะพักอยู่คนละห้องเสียด้วยซ้ำแต่ไม่รู้ทำไมพวกเขาถึงมานอนอยู่ในห้องเดียวกันหมดจึงเหลือห้องว่างอยู่สามห้องที่ผมบอกให้ช่างแอ เลือกอยู่ได้เลยก่อนหน้านั้นแล้ววันนี้ที่ผมมาร้านบังเซนกับบังเล็ดก็ไม่อยู่เพราะไปส่งของต่างอำเภอจึงเหลือปอกับโอนที่อยู่เฝ้าร้านเพียงสองคนหลังจากที่ปิดร้านก่อนที่ผมจะเดินทางกลับบ้านก็บอกให้ปอกับโอนรอเปิดประตูให้บังเซนกับบังเล็ดด้วยแล้วผมก็เดินทางกลับ วันรุ่งคืนผมก็กลับมาที่ร้านเหมือนเดิมพอมาถึงก็ไม่เห็นปอกับโอนเหลือเพียงแต่บางเซนกับบางเลดเท่านั้นบางเซนบอกกับผมว่าทั้งสองคนขอลาหยุดงานตอนนั้นผมแปลกใจมากว่าทำไมถึงลาหยุดงานพร้อมกันทั้งสองคนแต่ผมก็คิดว่าทั้งสองแน่จะเหนื่อยเลยชวนกันหยุดพักด้วยความเป็นห่วง ผมจึงถามกับบางเซนว่าสองคนนั้นเป็นอะไรไม่มาทำงานบางเซนจึงบอกผมว่าเมื่อคืนมีเรื่องเกิดขึ้นครับนายหลังจากที่ผมกลับจากส่งของแล้วก็มาที่ร้านตอนนั้นเวลาก็ไม่ดึกมากเท่าไหร่แค่สามทุ่งกว่าๆพอมาถึงผมก็เห็นมันสองคนนั่งอยู่ที่นอกรั้วของบ้านพอรถผมมาจอดปุบมันก็รีบมาเปิดประตูให้ผม แล้วบอกกับผมว่ามันเจอผีหลอกครับนายผมจึงตอบไปว่าฮะอะไรนะผีที่ไหนอยู่กันมาตั้งนานที่นี่ไม่มีผีหรอกมีครับนายผมกับบังเลดก็เจอเมื่อคืนนี้ครับแล้วบังเซนก็เล่าว่าตอนนั้นเขาเห็นเงาคนกำลังทำอะไรไม่รู้กับตู้แอร์ที่ระเบิดไป ตอนแรกคิดว่าเป็นหัวขโมยก็เลยชวนบังเล็ดไปด้วยส่วนปอกับโอนนอนคลุมโปองอยู่ในห้องบังเซนกับบังเลดจึงรีบเข้าไปดูที่เห็นเงาคนตรงตู้แอร์เมื่อไปถึงก็ปรากฏว่าเป็นผีช่างแอร์ใบหน้าเละ ด, ด้วยแรงระเบิดทั้งตัวมีแต่เลือดเต็มไปหมดด้วยความที่บังเซนกับบังเลดเป็นอิสลาม จึงข่มความกลัวไว้ก็เลยไม่มีใครขึ้นเหมือนกับสองคนนั้นพอผมได้ฟังสิ่งที่บางเซนเล่าแล้วก็โทรไปบอกแฟนว่าวันนี้ผมจะข อ, อกลับดึกผมคิดในใจว่ายังไงก็ต้องเชิญออกให้ได้แล้ววันนั้นก็มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกองปุ๋ยที่วางซ้อนกันอยู่ๆก็ล้มลงมาเสียดือด้อ จนเกือบจะโดนลูกค้าของผมแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเน่าที่หาที่มาไม่ได้มันเหม็นอย่างนั้นตลอดทั้งวันบังเซนกับบังเล็ดก็รู้กันอยู่แล้วว่ากลิ่นนั้นมันคือกลิ่นอะไรแต่เท่านั้นยังไม่พอวันนั้นผมขายของไม่ดีเลยแถมยังโดนลูกค้าต่อว่าอีกด้วยด้วยความที่ร้านของผมไม่มีเจ้าที่ หรือไม่มีผีอะไรอยู่เลยวิญญาณสองคนนั้นก็เลยไปไหนมาไหนในร้านของผมได้อย่างอิสระเวลาผ่านไปจนถึงคำ่ำร้านของผมก็ปิดแล้วผมจึงคิดว่าจะไปดูที่แอตัวนั้นบังเซนกับบังเลดก็ขอตามมาเป็นเพื่อนผมพอไปถึงผมก็เห็นวิญญาณช่างสองคนนั้นยืนอยู่จึงเดินเข้าไป เพื่อที่จะคุยผมถามวิญญาณ น, นั้นว่าทำไมไม่กลับบ้านทำไมไม่ไปอยู่ที่อื่นในภพภูมิอื่นเขาก็ตอบกับผมว่ากูไม่ไปกูอยากอยู่นี่ในไหนที่ของมึงก็ไม่มีเจ้าทีไม่มีผีตนอื่นทำไมกูสองคนจะอยู่ไม่ได้แล้วตอนที่กูเข้ามามึงยังบอกว่าให้กูอยู่ได้ พอมันพูดจบผีซองตนนั้นก็ได้พุ่งเข้าไปหาลูกน้องของผมบังเซนกับบังเลดลม้มลงไปอย่างแรงผมโมโหมากที่มาพูดกับผมแบบนี้แถมยังมาทำร้ายลูกน้องผมอีกคืนนั้นผมจึงนำวิชาสายเขมรที่ได้เล่าเรียนมาใช้เป็นครั้งแรกในชีวิตผมเริ่มใช้วิชาสกุวิญญาณสี่ทิศแต่ก็ไม่สำเร็จ ไม่คิดเลยว่าวิญญาณที่เพิ่งจะตายได้ไม่นานทำไมมันแข็งแกร่งแบบนี้ผมเริ่มทำพิธีใหม่เป็นการสะกดวิญญาณแบบ8ถทิศซึ่งคนที่เรียนมาแบบผมถึงจะเข้าใจว่าอะไรคือสี่ทิศ6ถทิศ8ถทิศหรือส0ทิศมันเป็นลำดับการสะกดวิญญาณที่ผมได้เรียนมานั่นเองเมื่อผมได้ใช้การสะกดวิญญาณแบบ8ทิศ รอบนี้จึงเป็นผลสาเร็จจากนั้นก็เรียกวิญญาณลงขวดแก้วแล้วบังเซนกับบังเล็ดก็รีบวิ่งเข้ามาหาผมด้วยความกลัวทั้งสองบอกกับผมว่าพรุ่งนี้ผมขอลาหยุดนะครับนายแล้วผมก็นำวิญญาณของช่างทั้งสองคนนั้นไปส่งให้กับญาติของเขาในคืนนั้นเลยเพราะหนึ่งในคนที่เสียชีวิตนั้น ผมก็รู้จักเขาเป็นอย่างดีจึงรู้ที่อยู่ของเขาได้ไม่ยากหลังจากนำดวงวิญญาณไปส่งเสร็จผมก็กลับมาที่ร้านตรวจ ด, ดูความเรียบร้อยอีกครั้งแล้ววันรุงขึ้นก็ต้องปิดร้านให้พวกลูกน้องได้พักกันเพราะลาหยุดกันหมดหลังจากวันนั้นจนถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบเดือนแล้วผมก็ไม่เจอเหตุการณ์อะไรแปลกแ ที่ร้านของผมอีกเลยส่วนเรื่องของปอกับโอนที่มันบอกว่าเจอผีมันก็มาเล่าให้ผมฟังที่หลังว่าตอนที่โอนกาลังปิดประตูร้านอยู่นั้นก็เหลือไปเห็นช่างแอกํกำลังเดินทะลุ ก, กำแพงออกไปเมื่อเห็นดังนั้นโอนก็ตกใจมากรีบหันหลังกลับเพื่อจะออกไปยังห้องพักแต่ในจังหวะที่หันหลังกลับมานั้น ก็เห็นผีช่างแอร์ตนนั้นยืนอยู่ใบหน้าของทั้งสองแทบจะชิดติดกันหน้าของผีตนนั้นอยู่ห่างกับโอนไม่ถึง20เซนติเมตรเสียด้วยซ้ำใบหน้าทีเลกเลือดท่วมตัวและกลิ่นเหม็นเนา่าทำให้อนช็อกมากรีบวิ่งหนีออกไปนอกร้านส่วนทางด้านของปอขณะที่เขากำลังเดินจะเข้าห้องผัก กูเห็นผีทั้งสองตนยืนดักอยู่หน้าประตูจึงรีบวิ่งหนีออกมาอยู่กับออนเป็นเหตุให้ทั้งสองคนถึงกับพว้าอย่างหนักแล้วขอลาหยุดในวันถัดมาเนี่ยคุณตรียังชวนแอดมินไปเล่นผีเด็กที่บ้านของแกอยู่เลยนะครับแอดมินบอกเลยครับว่าแน่นอนผมไม่ไปหรอกครับแอดกลัวผี สมภัสยอง